ชิตนี้จะเป็นเงได้ชีวิตนี้จะเป็นเงิคือบอกทุก ม, มุมเลยหนึ่งสองสามพ่อบอกไปเสร็จทุกเงินถ้าจะทําอย่างนี้สมมติจะทําแบบว่ากรณีที่เป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นรไม่ขวนขวายไม่อยากได้ไม่เพิ่มเติมทรัพย์เนี่ยแต่วิธีการนี้มันไม่ถูกไม่ถูกตรงที่ว่าเขาปล่อยผ่านไปเลยไม่ไนับผิดชอบเลยต้องบอกเขาต้วย แต่ถ้าต้องาการอยากจะทําประโยชน์อย่างที่บอกถ้าประโยชน์ที่เราเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเราไม่มีศักยศักยภาพเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยธุรกิจการงานที่ทําไว้เนี่ยมัน ม, มีคนจัดการศึกอสารต่อไอคนที่จะเป็นบริวารญาติมิตรเขาก็จะเดือดร้อนเ อ, อเขาก็จะเดือดร้อน เ, ออเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อเขาก็คิดไม่เป็นเหมือนเหมือนหนูท เขาก็คิดได้แค่เพียงแค่เป็นลูกจ้างมันจะคิดว่าระดับเราเลยคิดเป็นลูกจ้างเขาก็คิดเป็นนายเขามันก็มีแค่สองส่วนใช่ไหยมันมีสองระบบนี้แหละระบบขึ้นไปเป็นนายหรือขึ้นมาเป็นลูกจ้างก็เป็นแค่นี้เองทีนี้พ่อแม่เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับมาเป็นนายคนมาตลอดแต่หนูเนี่ยเป็นคนไม่อยากรับผิดชอบอะไรลูกจ้างก็จะไม่เอานายก็จะไม่เอาหนูจะอยู่ยังไงพราอในเมื่อสภาพสังคมมันมีแค่นี้แหละ มันจะเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นนายถ้าจะกรณีการทางานถ้าอยากจะเป็นลูกจ้างเขาหนูก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเ<ม>ห็นแล้วก็ต้องมาทำงานในฐานะเหมือนหนูเนี่ยจะมาเป็นลูกจ้างแม่ลูกจ้างพ่อหนูยิ่งทำไม่ได้เลย<ม>หนูก็ไม่รับผิดชอบตัวเองอีกมันก็ผิดอีก<ม>ส่วนงานที่หนูชอบหนูเอาจริงเลยเนี่ยออกอะไรเล่นกีฬา<ม>หนูรับผิดชอบเต็มที่เพราะหนูรับไง แต่หนูคิดว่าเอาอย่างนั้นเนี่ยเป็นมันเป็นชีวิต จ, จิตใจของหนูแต่งานแบบนี้หนูไม่รักหนูก็เลยไม่ทำใน<ม>กรณีอย่างนี้เขาไม่ทำกันก็ต้องบอกเขาตรงๆ<ม>แบบนี้ชีวิตมันอยู่ไม่ได้<ม>เขาต้องบอกเขาว่าหลักการคือยังไงจะเป็นลูกจ้างก็ได้ไม่มีปัญหา<ม>กิจการนี่ขายก็ได้<ม>หลังอยากอะไรแม่มไม่อยากทำ<ม>ใครก็อยากจะได้อยู่แล้วหนูก็ต้องกลับไปอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้าง แม่ก็มอบทรัพย์สมบัติให้ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งแม่จะไปทำไงก็เป็นเรื่องของแม่แล้วตอนนี้หรือจะให้ใครคนที่เขาจะรับผิดชอบใดๆก็ เ, เรื่องของแม่ถ้าหนูเป็นอย่างนี้รับไม่ได้ก็เราบอกนะั้ยหนูไม่สามารถจะบริหารจัดการได้หรอกไปก็ลูกน้องก็ลําบากกิจการก็เจ๊ง <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์มันไม่ชัดไง <c oughs> วิสัยทัศน์มันไม่กว้างใช่ไหม <c oughs> มันต้องคิดกว้างมองไกลฝ่ายสูงใช่ไหมมันถึงจะไปได้ ถ้าหนูคิดแคบมองใกล้ไปต่ำหนีูก็แย่เลยอย่างนี้ก็ต้องบอกเขาตรงๆอยนี้ถ้าบอกปุ๊บอย่างนี้เขาก็จะอ๋อเขาคิดแคบเขามองใกล้ก็ไปไปไม่ได้ไปสูงอะไรเขาก็จะอยู่อย่างเนี้ยอายุสามสิกว่าแล้วเดี๋ยวมันความคิดมันตกล้องใช่คะ่ะความคิดมันตกล้องเขายังไม่ไม่ไม่ไปเป็นมันตกล้องคือความคิดตกล้อ ง, ม, องมันเป็นทัศนคติที่ติดตันไงมันก็ตกล้องอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเขาจะบ้านะ ก็เข้าใจได้เขาต้านเข้าปต้านเลยฝืนฝืนแม่บอกให้ทํำนี้ก็จะการอะ่างก็คือเขาไม่ชอบในสิ่งที่เป็นเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นเล่นในขณะเดียวกันเขาก็ยังหาตัวเขาไม่เจอใช่ค่ะอย่างเงี้ยเลยหาตัวเองไม่เจอเขาก็เลยต้องนั่นแหละระบายความทุกข์เขาด้วยการออกกําลังกายไปมีพลังก็เอาไปอย่างนั้นแหละพลังเขาก็ไปเล่นไตวิไตวิกีฬามีลาอย่างที่เขาเล่นอย่างนี้นั่นก็ไปออกในมุมนี้เด้ ทีนี้ตรงนี้ก็คื อ, อ, นนอถ้าเราบอกเขาอย่างนี้แล้วก็ท่านหนูเป็นแบบนี้มันก็เป็นลูกจ้างก็ไม่ได้เป็นหัวนหน้าก็ไม่ได้นี่นี่หนูนี่ไม่ชัดเจนตัวเองนะสองอ้าจะเลือกเป็นลูกจ้างดีกว่าหัวนหน้าเพราะเป็นลูกจ้างเขาไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปแบกรับภาระไม่ต้องไปมองความเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรเท่าไหร่หรอก ตามเข้าไปหัวหน้ า, า, าก็ทํายังไงก็ทําตามก็มอบงานนี้แค่ไหนก็ทาําแค่นั้นทั้งๆที่วิสัยทัศน์มนุษย์มนัมนมากอยนั้นเดีหนูเลือกที่จะเป็นลูกจ้างนี่ประการที่สอแต่จะเลือกมาเป็นนําเขาไอ้นี้วิสัยทัศน์ต้องชัดแล้วเธอเนี้ยคุณต้องฝึกตัวเองทุกด้านทั้งด้านพฤติกรรมเจตใจด้านปัญญานี่คุณต้องฝึกแล้วจะลุกขึ้นมาเป็นนําเขาแล้วก็จะต้องมันเป็นเหมือนเหมือนแม่ทับเนี่ยใช่ไหมเมื่อจะออกรบขึ้นมาเนี่ยอ่อนแอไม่ได้แล้ว ต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีทัศนคติโอ้โหต้องข้นขวาอะไรเยอะๆหมดเลยแต่ว่ามันคนที่อยู่เป็นลูกน้องเขาก็เขาก็จะได้พึ่งเราในระดับนี้ก็ใ้เขาเลือกแต่ปัจจุบันเนี่ยหนูเลือกแบบนี้ลูกจ้างก็ไม่เอาหัวหน้าก็ไม่เอาอหนูเลือกตรงนี้ไงต้องบอกเขานี่ น, นี่เส้นทางที่หนูเลือกแล้วมันจะเป็นยังไงก็รู้อยู่ พหนูคิดว่าไม่ต้องทําอะไรหนูก็อยู่ได้โอเคมันอยู่ได้จริงๆแต่เกิดมาทั้งทีเนี่ยเกิดไปเป็นผู้ชายทั้งทีเกิดมามีเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีเนี่ยหนูใช้ชีวิตเพียงแค่นี้เองหรือต้องบอกเขาอย่างไร<ม>ความสามารถก็มีตั้งเยอะไม่ฝึกขึ้นมาให้มันมีศักยภาพก็มีตั้งเยอะไม่ฝึกขึ้นมาให้มันมีหรือว่าปัญญาสามารถจะฝึกให้มันอย่างไรขีดจํากัดก็ได้ก็ไม่ทํ า, า, าก็จะอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหม อยู่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันก็นอนยืนเดินนั่งนอนสักระหว่างหายใจทิ้งประโยชน์จะเกิดน้อยต้องบอกเขาอันนี้มันเป็นไหมว่าถ้าคําพูดทั้งหมดเนี้ยถ้าหนุ่ยพูดกับคนอื่นพูดมีผลผิดกันไหมหนุ่ยคิดว่าหนุย่ยว่าเป็นปกผิกัน ป้าชีเนี่ยคิดว่าโดยพอถึงเรื่องเรื่องอะไรที่น่าจริงๆเงี้ยค่ะโดยพูดเขาก็ฟังเขาทำเ<ด>ก็ทำตาม<ด>แต่ว่าในชีวิตเลกเข่ะประจำวันเนี่ยเขาจะแบบป้ามีอยู่ขั้นหนึ่งถึงขั้นคือเขานี่จะแต่งงานมาสองผลครั้งแรกเนี่ยก็แต่งกับเขาเพืนมาต็งเป็นสิบปีก็ตกลงว่าไปพูดใหญ่ไปพูดกันเรียบร้อยแล้ว ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ด้วยกันจะกลับมากลับมา ป, ปุ๊บเราก็พูดกันเรียบร้อยว่าโอเคจะจะแต่งงานพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บก็ทําพอทําเริ่มทํางานข้างนอกนอก็เจอเจอไอ้โลกที่มันกว้างกว่าเจอโน้นคนนี้นนจเจอผู้หญอีกคนหนึ่ก็ทิ้งคนนี้เลยที่คบกันมาสิบปีไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ก็แบบจะจะแบบนั่นจรงิงจังกับผู้หญิงคนเนี้ย แต่ประวัติหญิงคนนี้ต้องแบบว่าคือทางนี้ทางครอบครัวก็ไม่รับบอกไม่รับอบอกเขาขอย่างนี้แหละค่ะว่าก็ไม่รับแล้วก็เราก็ให้เขาคิดดีๆก็บอกเหตุผลว่าทําไมทําไมทําไมถึงไม่รับอย่างเนี้ยให้เขาไปคิดเองก็น้อยใจไม่นะคะแต่เขาก็เขาก็เลิกนะคะเขาก็บอกว่าโอเคเ ข, เขาเขาเขามองเห็ น, หนที่ที่ทางอีกผู้ก็ทางข้อไปยอมพูดหน่วยพูดเองหนุม่มพูดเอง แล้วก็เขาก็เขาก็แต่เขาก็แต่เอาว่าเขาเ็เขาก็เห็นด้วยกับที่ที่เราพูดแล้วก็เลิกแบบคนงานนี่หมวงที่สองแล้วก็อะไรอะไรที่อะไรที่แบบมาถึงจุดที่เราไม่ยอมจริงๆแข็งจริงๆอ่ะแล้วเราพูดถึงเหตุผลเขาเขาก็ยอมค่ะแต่อย่างพ่อเขาเนี่ยจุดหนึ่งที่เขาก็ถึงเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยถ้าลูกจะแต่งเขาก็แต่งเขาให้แต่ง กับคนเนี้ยที่เราที่เราไม่ชอบเนี่ยถ้าเขาเขาเองก็ไม่ชอบก็ไม่อยากนั่นแต่ว่าให้แต่งก็แต่งไม่ฝืนอยากแตแป่งก็แต่งแต่เราไม่ยอมเด็กก็แต่เดยก็บอกว่าไม่คือรักไม่ไม่รักเพราะอะไรบอกเขาไปเนี่ยเหตุผลอธิบายอันนี้เรื่องนี้เกิดงานไหมหลายปีสี่ปีห้าปีะันตร ก่อนหน้านัาน้นเขาเป็นยังไงเขาขยันไหมยกค้ายก่อนหน้านี้น ก, ก, นก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นมาตั้งแตเป็นมาตั้งแต่เด็กว่ฮะฮ อ, อยู่อยู่บมอยู่ประถมเนี่ยนะคะก็พ่อก็เป็นนายกสมาคมของโรงเรียนโอ้โอาจารย์นี่เอาใจพ่อ <c oughs> เอาใจใาตลอดว่าพ่อเขาทางานให้โรงเรียนเยอะอาจารย์ก็จะดูแลลูกลไม่เรียนหนังสืออาจารย์ถึงขั้นจัำอีกคนประกบให้ ตลอด<ม> <c oughs> ประกบให้แบบประกบให้พัดมีคนตามส่งการบ้านมีคนไม่ได้ทําให้นะให้พัดต้องทำเองแต่ว่าคนนี้จะทโทรมาคือ น, นี่ทําการบ้านอย่างช้ากว่าคนนี้จะมีโทรมาเอาสมุดการบ้านมาจะไปส่งให้อะไรแบบนี้อาจารย์จับประกบประก็ยังไม่เรียนอันนี้อันนี้เป็นจุดบอก <c oughs> วิธีการทําจุดบอกเลย <c oughs> พอไม่เรียนเนี่ยผู้อำนวยการยังมานั่งเรียนกับพัดเลยอ่ะเ้ามีคนประคอง ใช่ค่ะเพราเอินออันนี้มันเป็นบุญถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่มันเข้ามามันมันมันเหมือนคนที่มีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลาไนก็เป็นตัวช่วยแต่ว่าทำให้เขาอ่อนแเด็กที่เราเราเราประกบทุกย่างก้าวจะไม่ถึงเลย ถ้าเกิดแต่พอช่ ว, ชวงเขาขั้นมัธยมนะค ะ, ะพ่อก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็ปล่อยไปนึงอนาให้ไปเรียนโรงเรียนประจําที่รูสีเล่นค่ะคอยู่ประจําแบบโรงเรียนแบบอยู่กับแก ะ, ะอยู่กับแกะ <c oughs> ไม่ไมีปแบเนี่ให้อยู่อยู่ทุ <c oughs> ่งนาจะอยู่กับแกะแล้วก็แล้วก็โรงเรียนที่เคร่งมากอะค่ะอีก <c oughs> ก็ไกลกั น, นเลยแบบเรียนาหารใช่ไหมเหมือน มันไม่เชิญทหารแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีมีระเบียดมีระเบียดมันก็คือเป็นระบบอังกฤษที่แบบว่ามันก็มีรุ่นพี่รุ่น น, น้องรุ่นนายถึงมัธยมยังใช่ค่ะมัธยมค่ะพอเป็นระดับอุดมอพออุดมเนี่ยอุดมเนี่ยก็เข้ามาข้ามมาเรียนออสเตรเลียข้ามาเรียนออสเตรเลียก็จะอยู่ประจําซึ่งแบบทุกอย่างสตรีทพอมาอยู่มัธยมเอ้พออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันอิสระแล้วเหมือนนอกตอนนี้ยิ่งไปเลยค่ะ ไปคบกับรุ่นคนที่ทำงานแล้วอะ่ะไปคบกับพวกที่ทํางานแล้วหมดเลยไม่ได้ครบรุ่นเดียวกันเลยนะเข้าใจเลยนะเนี่ยวิธีอย่างเงี้ยเขาอย่างนี้<ะ>ถ้าดูอย่างวิถีชีวิตต้องจะเป็นลักษณะซุย<ะ>เข่งก็หย่อน<ะ>คือคือมันอยู่ระดับที่ว่าเขาเคยถูกแบอบกเข่งไว้<ะ>แบบระเบียบทุกอย่างแ้่ต่อมาก็ปล่อยให้อยู่ไม่มีระเบียบ อิสระมันก็กลายเป็นถ้ามองกันเขาเรียกว่าสัพพะเขาเรียกว่ากลุ่มอตตากิละกลุ่มสุดโต่งทั้งสองทางระเบียบกับการอิสระเขาเลยมมชิาไม่ได้ไอ้สมตาหรือสมดุลเดินเขายังหาสมตาหรือสมดุลของชีวิตไม่ได้นะนั่นลุงที่เด็กก็เป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นกันเยอะค่อนข้างแล้วมันจะสุดโต่ด้านใดด้านหนึ่ง เพาะเขาไปอยู่ในสุดโต่งที่ถูกเป็นระเบียบเต็มที่เลยเขาก็ถูกกดดันแต่พอมาปล่อยปุ๊บนี่เขาก็เหมือนโอ้โหเต็มที่เลยที่ไปไปมาแล้วตอนนี้เขาก็เละไม่ชีวิตเข้าคนเดียวหาสมราตาิเลยสุดเดินยาพของเขาตรงนี้ใช่คนะ่ะอาจารย์ผู้ถูกที่ว่าเขาหาสมรติเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ไม่มีไม่มีปีย์คือคิดไม่คิดไม่ได้ดีเป็นคนฉลาด แต่ปเป็นคนที่แ <tez attendance S 1> คิดไม่ถูกยาไม่คิดต้องต้อ ง, ต, องตรงนี้เขาจะต้องมี ม, มีเพื่อนนะมีเพื่อนหรือมีสิ่งแวดล้อมที่แนะนําเขามีคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาให้ข้อคิดเขาได้ <azon. S 1> ที่จะคําว่าสมราตาของชีวิตมันอยู่ตรงไหนสมดุลมันอยู่ตรงไหนดุลยภาพของชีวิตที่แท้จริงอยู่ตรงไหนก <anish S 1> <c oughs> ็ต้องกลับไปคิดเขาเห็นว่าส่วน ตอนระดับปรถมเขาเป็นยังไงมัธยมเป็นยังไงอุดมเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเขาให้เขามองในการที่ใช้ปัญญานี่แหละใช้สติดึงมามองวิจัยว่าตรงนั้นเป็นจุดด้อยเขานี่เป็นจุดเด่นของเขาเห็นไหมเขาเขาสวิงไปสวิงมาระหว่างจุดเด่นจุดด้อยตลอดเวลาระหว่างระหว่างตึงเกินไปหย่อนเกินไปตึงเกินไปหย่อนเกินไปเขาอยู่นี้ตลอดแต่คาว่าสมตาหรือดุงวภาพเขาไม่หาตัวเองยังไม่เจอมาตลอดทั้งชีวิต แม้ทุกวันนี้เขาก็วิ่งอยู่ว่าอะไรคือสมรตาของเขาก็หาไม่เจอเขาต้องไปบอกเขาต้องมีคนที่รู้จักเขาจริงๆแล้วค่อยๆลากเส้นให้เขาดูว่าในตัวสมรตาหรือดุนยภาพของชีวิตที่มันควรจะเป็นมันแค่ไหนอย่างไรมันไม่ใช่ดุนยภาพอย่างที่เป็นเอาวัตตุมือเป็นตัวตั้งแต่มันด้านความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ในเหมือนการขับรถเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานเดียวไม่ได้ผลทางมันเป็นอย่างไร มันเป็นหลุมเป็นบ่อมันจะขึ้นเขาขึ้นเนินมันจะลงน้ําลุยโคนหรือมันเป็นทางเรียบหรือทางโค้งยังไงเนี่ยมันมันมันคำว่าดุนยาภาพคือมันพอดีต่อสถานการณ์นั้นนั้นเหตุการณ์นั้นนั้นเรื่องราวนั้นนั้นดุนยาภาพคือมันสมตานเรื่องนั้นๆชีวิตคือการขับรถดีๆเดียแล้วมันต้องขับตลอดฉะนั้นชีวิตคุณจะใช้มาตรฐานเดียวเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้ จะใช้มาตรฐานเดียวไม่ได้จริงๆฉะนั้นก็จะต้องปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์นั้นนเหตุการณ์นั้นๆเรื่องราวนั้นนั้นบุคคลนั้นๆการงานนั้นๆอย่างไรที่จะสามารถประคองชีวิตเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องบอกเขานี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ให้เขาได้เข้าใจกระบวนการชีวิตให้ละเอียดตรงนี้เขาก็จะนึกว่าเออชีวิตต้องมาตรฐานเดียวเขาจะเป็นเขาอย่างเนี้ย ฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ยทุกสถานการณ์ฉันก็จะไม่เปลี่ยนฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันก็จะสุดโตรงต้องเลยถ้าเอาตัวเป็นสุดกลางนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่านั้นแหละคือการดําเนินชีวิตที่มันไม่ไม่ได้ดุนเหยาภาพเพราะว่าคุณสถานการณ์มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเหมือนรถที่มันวิ่งไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดิมและมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาเลย โดยเฉพาะกระแสชีวิตมันคือการเดินทางมันคือการดำเนินชีวิตเพื่อจุดหมายปลายทางที่มนุษย์ตั้งไว้เพื่อพ้นทุกข์ก็ว่ากันไปเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่มนุษย์หวังกันไว้ฉะนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะได้ใช้ระบบเดียวมาตรฐานเดียวไม่ได้เลยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแทบจะบอกว่าทุกวินาทีทุกนาทีได้ซ้ําไปเราไปใช้มาตรฐานเดียวในที่สุดจริงเราก็อยู่กับความเห็นอยู่ความยึดถือ อยู่กับความขัดข้องซึ่งในที่สุดจริงเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไไดความสุขในชีวิตจริงแท้จริงแล้วถามชีวิตมันคืออะไรคุณคุณก็ไม่เข้าใจชีวิตใช่ไหมชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใชถ้าชีวิตควรให้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ยิ่งยุ่งเลยนะแล้วชีวิตควรดําเนินอย่างไรโอ้มัน <laughs> แค่ถามแค่ถามชีวิตมันก็ยากเลยนั่นตรงนี้เขาเองเขา เขาหาตัวเองไม่พบ<ช>ไม่ใช่ว่าใช่คําว่าหาตัวเองไม่พบไม่รู้จักตนเอง<ช>แล้วก็ไม่รู้จักจุดหมายตนเองที่แท้จริงที่จะตั้งไว้<ช>แล้วไม่เข้าใจไม่มีศิล ป, ปะในการที่จะดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องต่อสถานการณ์บุคคลสิ่งแวดลอ้อม ใ, <ช>ในตรงนี้คําว่าศิล ป, ปะ น, นี่เหมือนภาษาอีกภาษาหนึ่งเรียกไม่มีสุนทรียะนั่นก็เลยแข็งกระด้างและแข็งทื่อ <c oughs> ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเหมืนขวางไปหมดทุกอย่างในโลงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขวางฉะนั้นก็เป็นความรู้สึกเขาเขาไม่เข้าใจต้องยต้องยอมรับนั่นนะั่นคือความไม่เข้าใจไม่ต้องอะไรเหมือนท้าเนี่ยถ้าตอนบวชอยู่ท่านก็ไม่เข้าใจชีวิตไ อ, อตอนไม่ได้บวชเนี่ยท่านก็เอ๊ะทาไมมันเครียดทําไมมันทุกข์ต้องดิ้นรนอะไรต่างๆแบบเนี้ยท่านก็หาตัวเอง พอมามาฟังเข้ามาศึกษาเข้าตอนนี้ก็เริ่มแหละตรนนี้อ๋อถ้าอย่างออกไปนี่ท่านก็จะเริ่มดาเนินชีวิตได้เนี่ยเป็นตัวท<ช>ีนี้มันจะมีสักกี่คนที่เขาจะได้ที่ปรึกษาที่ดีเน่ยในตรงนี้ตรงนี้สำคัญที่สุดได้คนที่จะชี้ให้เห็ น, นชัดๆว่าอะไร<ช>ตรงไหนตรงเ น, นี้ยเพราะว่ามันด้วยการที่เขาก็ผ่านโลกผ่านอะไรมาเขาก็คิดว่า ไอประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็คิดว่าโอ้มนเยอะพอถึงที่ไหนได้ <c oughs> ประสบการณ์มันไม่เกี่ยว <c oughs> ปัญญาต่างหากสาคัญใช่ไหม <c oughs> โอ้โหดางนั้นช้างมา้าวัวควายนี่ประสบการณ์เยอะแยะหมด <c oughs> แต่ทำไมไม่ฉลาดขึ้นลราใช่ไหม <c oughs> ทำไมต้งไม่สามารถปรับตนเองให้เข้าสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้มันไม่ใช่เรือ่องประสบการณ์นะมันเรื่องของปัญญามันเรื่องของสติมันเรื่องความรู้ความเข้าใจมันเรื่องความเป็นผู้มีฉลาดคิดคิด ถูกทางถูกวิธีคิดถูกอุบายคิดเป็นนี่แหละเรื่องนัคิดเป็นก็คือบางทีเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยคิดให้เป็นแถวเป็นแนวก็คิดได้ใช่ไหมบางคนคิดไม่ได้นะบางคนคิดวกวนใช่ไหมไอ้คำว่าคิดให้เป็นแถวเป็นแนวคิดให้ตลอดสายก็คิดได้บางคนก็คิดสาวหาเหตุก็ได้ว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันมาจากเหตุอะไรเนี่ย คิดอยากทำเหตุน่ะสาววิ่งไปหาผลก็ได้ก็รู้ทันทีได้สร้างเหตุอย่างนี้ผลเนี่ยนะโคตอะไรจะเกิดขึ้นบางคนคิดแบบมีอุบายเลยเนะี่ยคำว่าอุบายในที่นี้ก็คือคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะสอดคล้องตามแนวของสัจจะความจริงทุกคนบางคนก็คิดปลุกเร้าได้ปลุกเล้าในที่นี้หมายความว่ า, าท้อถอยคิดให้มีกําลังใจได้ <c oughs> เกียรติค้านคิดให้ขยันได้ ไม่เชื่อมั่นคิดให้เกิดความเชื่อมั่นได้อ่อนแอคิดให้มีความอดทนได้เงี้ยนะไอ้ตรงเนี้ยหลงลืมคิดให้มีสติได้ไม่มีปัญญาคิดให้มีปัญญาได้คนประเภทนี้ใช่ไหมเขาเรียกปลุกเล้าได้คิดให้เห็นผลเลยคิดแล้วเกิดผลได้เกิดแรงจูงใจได้อย่างมากมาถึงนี้เขาไม่มีหรอกเาจะมีอย่างหน่อยก็คือเอาอะไรมากระตุ้นเอากีฬามากระตุ้นนั่นเดีใช่ไหมเขาจะไปได้สักระยะหนึงกลับมาเขายังต้องงงๆกับตัวเองอยู่นั่นแหละ าอั้งเจนฉะั้นหน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องพยายามชีทางให้เขบพ่อจะชัดไหมพ่อจะเห็นเส้นทางแต่เห็นเส้นทางแต่วิธีการเนี่ยมันมันยากสำหรับท ah> ี่จร um, uh, ิงที่จริงมันยากจริงอยู่แต่มันท้าทายมันท้าทายศักยภาพของมนุษย์ในมนุษย์เนี่ย ถ้าเรารู้ว่าจริงๆมันฝึกได้ถ้ารู้ว่าฝึกได้ใช่ไหมไต้องฝึกเนี่ยมันเปนท้าทายเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกมันรู้ว่าจริงๆมันทำได้ถึงมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ลุยมากันเยอะแยะมันขอให้มันให้ทำโดยรู้อย่าทำแบบไม่รู้ก่อนจะลงมือจที่จะขยันก็ให้รู้ก่อนใช่ไหมถ้ารู้แล้วเนี่ยมั น, มน มันมันเป็นการขยันที่มันมันปลอดโปร่งลงลมันไม่ขยันโดยไม่รู้เส้นทางงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูสังเกตแล้วก็หาขุมทางหาอุบายวิธีอย่าท้อตั้งใจเขาสือว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องชี้ให้เขาเห็นให้เห็นแจ้งไ ง, ไงชี้เขาอาหารพชี้ให้เขาล่าเลยให้เกิดความมั่นใจใได้เลยนะบางครั้งมัน มันมีเพียงว่าถ้าเราฟังจนเกิดความเข้าใจเข้าใจเนื้อความทั้งหมดอัธย า, าทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเข้าใจยังตลอดสายสองจับประเด็นได้ประการต่อมาคือว่ามีวิธีการพูดใช้ใช้วิธีการมีวิธีการที่จะสื่อสารใ้เขาเรื่องสื่อสารเป็นถ้าสื่อสารใ้เขาจนเขาเข้าใจได้นี่ถือประสบความสำเร็จแบบและเขามีปมอะไร ความปมในใจก็ได้เช่นนะี้ก็ประสบความสำเร็จได้ใช่ไห ม, มทั้งหมดเหล่านี้เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเหมือนหมอนี่ถ้ายัางไม่รู้โรคไม่รู้เหตุเกิดของโรคแล้วไม่ได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะจะรักษาที่จริงบอกรักษาโรคมันก็ไม่ดีไม่ถูกบาบัดโรคนั้นรักษาโรคแปลว่าทาให้โรคนั้นมันทันอยู่ <laughs> มันมาพูดกันจนเพี้ยนหมดเลยนี่รักษาโรคก็คือทําให้โรคนั้นมันอยู่ทําให้โรคนั้นนั้นไม่ให้มีโรคมันบําบัดโรคใช่ไหมใช่ทำไมโบราณภาษาภาษาภาษาโบราณเขาเรียกบําบัดโรคเอาเข้าจริงๆไอ้ตัวโรคเนี่ยเราไปทําอะไรมันไม่ได้แต่สมูฐานของโลกใช่ไหม เราไปแก้ที่สมุทฐานจริงๆก็ไม่ได้ไปแก้ไปแก้ที่ <S <S ที่โรคเราไปแก้ที่ตัวสมุทฐานเหมือนเช่นปวดหัวใช่ไหมเราก็ไปแก้ที่สมุทฐานเป็นโรคปวดหัวไม่ได้ไปแก้ที่หัวแต่ไปแก้สมูทฐานว่าเออมันมาจากอะไรอเอาเข้าจริงๆเราไปรักษาที่สมุทฐานไม่ใช่ไปรักษาตัวโรคใช่ไหมเพราะไอ้ตัวทุกข์นี่เหมือนกันตัวปัญหาก็จริงจริงเราไม่ได้ไปแก้อะไรมันแต่ที่ทุกข์นี่ เราให้รู้ว่ามันมาจากอะไรปัญหาไอ้เหตุของทุกข์หรือเหตุของปัญหาเอาเข้าจริงๆเราก็ต้องไปดูว่ามันมาจากอะไรแล้วต่อมาก็วางเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเข้าถึงจุดหมายที่มันตั้งตั้งหลักไว้ที่จริงก็คือวิธีการเหมือนกรณีเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ดีลูกของเราสามีภรรยาหรือปูต่ตายายายก็มีปัญหาเป็นปัญหาที่เขาเจอ เราก็ต้องไปดูดตัวปัญหากับตัวเขตของปัญหาปัญหาคือทำไมก็เป็นแบบนี้ทำไมเขาจึงเป็นคนที่ไม่อยากทำงานหรือไม่กระตือรือร้อนไม่รับผิดชอบอันนี่เป็นปัญหาพอไปไปมาก็ต้องไปจอบ ด, ดมมอูมันมาจากอะไรมันมาจากกระบวนการความคิดยังไงทัศนคติมุมอมองยังไงมีความทัศนคความเห็นยังไง พอเราไปเห็นว่าอ๋อสาเหตุของเขามาจากไอ้ตรงนี้ตรงนี้อันแรกก็คือควรรอบรู้ไอ้ตัวปัญหาไอ้เหตุของปัหาคนละใช่ไหมอพอเรารู้เหตุปุ๊บเราก็วางจุดหมายว่าเอาแล้วเราจะเราจะให้มุมมองทัศนคติของเขาอย่างไงที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพที่เขาเขาจมอยู่กับปัญหายัางไงเนี่ยพอเหมือนท้องเกตเหมือนเจ้าเพชรใช่ไหม ความคิดที่มาทั้งออกไม่ได้มาก็เห็นนะปล่อยเขาเล่าอีกวันแล้ก็เลาเล่าเล่าล่าเล่าก็รู้แล้วเออนี่ก็เป็นอย่างนี้เจนก็บอกว่าเจนไม่ต้องบอกเลยว่าเขาควรทำยังไงคุณบอกว่านี่ปัญหามันมาจากอะไรก็บอกเขาหนึ่งสองสามสี่หเขียดมันมาอย่างนี้เอาแล้ววิธีแก้จุดหมายวางมุกหายแก้ทําแบบนี้หนึ่งแบบนี้สองแบบนี้สาม บอกครับเลือกอีกเขาก็เป็นเลือกวิธีที่จะเข้าไปอยู่ให้ได้สังเกตุไหมไปเป็นเลือกไปเสร็จปุ๊บเขาเ อ, อยาอยามพยายามเพื่อจะเพื่อจะเข้าจะไปอยู่กับเขาแล้วที่สุดจริงๆก็พังอ่ะกลับมาเขาไปไม่เป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉนันก็บอกเอ้ามันเป็นยังไงก็เคลียประเด็นนี้อีกครั้งที่สองไปเสร็จอ้าวต่อครั้งที่สาม แต่เนี้ยเนี้ยกรณีแบบนี้เด็กระดับบุคคลในยุคนี้บางทีเราไปบอกไม่ได้้อใหเจก็บอกเขาไว้เลยบอกไว้เลยหนึ่งสองสามเส้นทางนี้จะเจออะไรไงบอกเลยเนี่ยเอาเลยทำํำถ้าคุณจะเจอยังม่จเจอม่จเจอจเจอ่ เ, อเลยคุณเขาทุ่นนี้เขามีความมั่นใจว่าเขาแก้ได้แล้วเขาก็เลยเพยายามจะตกๆให้น คืออะไรที่มันไม่ใช่ความจริงแต่เขาพยายามจะตกต อ, อย่างที่ตัวเองที่อยากมไม่เป็นเขาก็จะตกตกเสร็จแล้วมันมันไปไมหรอดตรงนี้เป็นเรื่องที่สอนวิธีให้เขาฉุกคิด <c oughs> วันนี้เขาจะเจอแหละแม้เขาจะเจอเนี่ยเราก็ไม่บอกฉันจะไม่บอกขหมด <c oughs> เพราะว่าถ้าบอกหม และในส่วนจริงเขาจะทําไมมันเป็นแบบนี้เราก็บอกว่าเอาเอที่เป็นอย่างนี้ปอนต์ก็บอกออบอกเ็เพราะบางครั้งเราไปบอกตัวอย่างไว้มากก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ยมันไม่ได้เป็นมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดสิ่งที่เราควรบอกเหมือนการให้ตัวอย่างยอมหนุ่ยเพื่อไปแก้เนี่ยมันให้ได้เพียงอย่างสองอย่างแต่การให้ปัญญาเนี่ยปัญญามันจะไปแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่า ดีกับการบอกลงมือทําจับมือทําเป็นเป็นเป็นเคสเป็นตัวอย่างแต่การบอกปัญญาเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหัดให้เขาขับรถเนี่ยไม่จําเป็นต้องตามเข้าไปทุกที่แต่เมื่อเขาชํานาญในการขับปล่อยเขาไปแล้วเขาจ้องไปเจอสถานการณ์เขจะต้องใช้ปัญญาประสบการณ์แก้ไขบางครั้งมันไม่ได้มีอยู่ในบทเรียนหรือคําบอกเล่าแต่เขาจะต้องใช้ปัญญาไปแก้ไขสถานการณ์จากเกิดความรู้ความสามารถของเขาที่ฝึกฝนมาหรือบางครั้งเขาจะต้องคิดให้ออก ว่า็อยู่ในหน้างานตรงนั้นเขาควรจะแก้ปัญหาอย่างไรไอ้ <c oughs> ตรงนี้ต่างหากมนกุษย์มันสามารถที่จะไปฝึกฝนพัฒนาตนัวเองได้ตรงนั้นั่นสิ่งที่ควรให้เขาคือปัญญาให้ปัญญาเขาให้ทัศนคติมองเขาว่าอะไรเป็นความเสียนอะไรเป็นความจริงความแท้แล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างนี้เอาท่านหนูจะเลือก <c oughs> เขาก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น <c oughs> ถ้าจะเลือกแบบนี้ก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นและที่สุดจริงๆเราหวังอะไรกัน ในชีวิตของเราที่เราต้องการะรเราต้องการความสุขเราต้องการสมหวังเราต้องการจุดหมายชีวิตที่ดีที่เลิศเหมือนกันไม่ต่างกันมนุษย์เราแต่ถามว่าจะทําแบบนี้ไอเราอยากมันจะสมหวังสมบูรณ์แบบมันเป็นแบบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอเหตุกับผลมันไม่ตรงกันอยู่เก็ต้องบอกเขากรณี้แบบเนี้ยถ้าเขาขืนดําเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยเขาเน่ยเขาถามว่าอายุสามสิบกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเขจะเป็นคนกลัวมันเหมือนอะไร มันมันคนบางคนเนี่ยมันมันเหมือนในที่เคยบอกบ่อยๆหมาป่าหมาป่าตาขาวเนี่ยมันไม่กล้ามันกลัวมันเคยไปเจอเสือหรือได้ยินคนพูดว่าเสือเสือเสือเนี่ยมันกลัวหมดเลยนะเนี่ยแค่มันจําเหตุการณ์ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ดีหรือคําพูดก็แล้วแต่เนี่ยมันวาดโครงการจนกลายเป็นหน้ากลัวที่สุดเสือเนี่ยมันก็ไปนอนอยู่ในโพรงไม้ พอมันเห็นแค่ใบไม้ไหวๆๆๆนะมันก็ปรุงแต่งว่าเสือเสือจนมันไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าไปต่อสู้อะไรไอ้หมาป่าตัวนี้แล้วมันก็ต้องยอมตายอยู่กันในโพรงไม้ไม่กล้าแม้กระทั่งจะออกหากินอย่างเงี้ยมนุษย์บางคนก็เหมือนกันกอดอยู่กับความเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละคิดว่ามันแก้ไม่ได้มันทําไม่ได้มันต้องอย่างนี้อย่าก็กอดอยู่ในทัศนคติมุมมองตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแล้วในที่จริงก็ตายไปกับความเห็นแบบเนี้ย มากก็มากนะมนุษย์ถึงใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบ น, นี้มีความเห็นอย่างไรก็จะไม่เปลี่ยนมันนะ<ม>ก็จะยึดความเห็นยึดถือทัศนคติมุมมองความเชื่อลัทธิบุคคลเงี้ยยึดถืออยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็กอดความเห็นแล้วก็ตายบางคนถึงขนาดถ้าฉันจะตายขอตายกับความเห็นอย่าบอกความจริงเดี๋ยวไม่ฉันรับไม่ได้ <laughs> บางคนขนาดนั้นฉันขอตายไปกับความเห็นเนี่ยจะสบายไกลกว่าเคยเห็นไหมบางคนแบบนี้ขอใยเป็นเราขอขอขอกอดความเห็นแล้วขอตายไปกับความเห็นแ้วมีนะบางคนเนี่ยไม่อยากรู้ความจริงขอรู้แค่นี้นี่ขนาดนั้นบอกโอ้คนบางคนมีขนาดยอมยอมอยู่กับความเห็น แล้วก็กอดความเหมือนเหมือนคําว่าผู้ใหญ่ผิดได้เป็นมองกันผู้ใหญ่ผิดได้เป็นนั่และ้แล้วก็เมื่อรู้ว่าจนทั้งทั้งที่ผิดเนี่ยไม่ไม่ขอโทษไอ้ลูกก็โกรธลูกก็ขออย่างเดียวแค่นั้นขอให้แม่ขอโทษ แต่พ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้คนอย่างฉันฉันจะตายไปก็ตายกับความเห็นอย่างนี้ฉันจะไม่ก่อตัวเด็ดขาดเคยเห็นไหมเราคนนึงเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอะไรเงี้ยเขามันเป็นศักดิ์ศรีเขาเขาขอตายไปกับความเห็นของเขา